แต่ว่าคำแนะนำวันนี้ไปได้แค่ไหนก็ไม่ทราบเพว่าต้นยังพูดได้ต้นวันนี้อีกวันนี้ไม่ไหวต้นเช้าให้พอยังไม่ไหวเราเราต้มาเสพหนะัก เ, เสพตลอดําใส้ทั้งหมดรู้ความว่าวันนี้เป็นวันต้นในการเจอคืมกรรมฐาน สำหรับการเรียนประมนานนห้คุบรรดาเจ้าับริษัททุกคนคอยมุ่งเอาดีกันคำว่าเอาดีเนี่ยให้ทำจริงวันนี้มีปัญหามาถามข้ อ, นน อ, นอหนึ่งว่าเรงยกรรมฐานเห็นเราหนึ่งเห็นตั้งแต่เท้าคือเข่าลงไปไเนห็น้า อย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ทําจริงทาจริงๆต้องทําให้มันได้จริงๆอย่าสักแต่ว่าทําถ้าสักแต่ว่าทํานี่มันไม่เกิดผลดีไม่ดีก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฐิเห็นไม่จริงไม่จังโพลิสูรกลายเป็นมิจฉาทิฐิไปสูปกายเรืกรรมฐานต้องเอาดีกัน ทีธีเอาดีก็รู้ว่าต้องมีส ต, ติสมัยชย์ยะแต่แล้วต้องมีปัญญาปัญญาเนี่ยทิ้ไม่ได้จะสักระววฟังสักววระทำมันก็จะกลายเป็นรายผลได้ผลนิเฉก็ไม่กลายจะเป็นโทษถ้าเป็นโทษเพราะว่ากลายเป็นไม่ใช่ีิธีไปอันตรายหนะัก การปฏิบัติเพื่อเอาดีจริงๆก็คือหนึ่งเราต้องมีศีลที่ปฏิบัติจะเนี่ยต้องการให้มีศีลในการมีสองมีสมาธิในการามีสมมีปัญญาที่จะทำกันจริงๆก็ต้องการแค่นี้ไม่ต้องการอย่างอื่นที่ถ้าเราเป็นคนมีศีล เราก็ลงนรกไม่ได้พี่โอ้ที่เจ้าทรงจัดว่าสีเลนสุปติยนติอกคในใดมีสินคนนั้นมีชีวิตอยู่มีความสุขตายไปแล้วก็ไปอยู่ในแดงมีความสุขชีเลนโปกัสมุคาคในใดมีสิน เวลามีชีวิตอยู่ก็มันฝนเธอในสักพินไม่เกิดร้อนตายไปแล้วเกิดใหม่มีทัพตุมบัติมากสีเรียนนิพพติยตินิพพะระดับคนในสิง่งระดับความความกังวลความเกิดร้อนบ้างพอสมควรแล้วก็เป็นบันจจัยที่ไมนิภายง่ายฉะนั้นการปฏิบัติจริงๆ จ, จะเป็นแบบไหนก็ตาม สิ่งที่ต้องการ ก, ก็คือมีสินเมื่อสินมีแล้วสมาธิองคเกิดคําว่าสมาธินี่คือความตั้งใจเพราะว่าศินเมื่อผู้คนใดจะจิตใจมีสินเป็ประจำจิตใจก็เยือกเย็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะสินที่ไม่ได้เป็นสองร่ารกันคือหนึ่งไม่ตายความรัก กรุณาความสงสารถ้าติตของเรามีทั้งความรักเกิดความสงสารมันก็มีแด่อารมณ์เยืยดเยินไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ เ, เราไม่มีอรมณโกรธโกรธมันร้อนและเมื่อมีความรักความสงสารสำเร็จการในสิ่งเราส่งตัวสิตไม่ไปไหนไม่มีการบกราุกรุก เมื่อสิ่งทรงตัวความรักเพราความรักความสงสารอารมณ์ก็เยือกยนเมื่ออรมณเยือกยนสิ่ก็เป็นปัจจัยเกดสมาธิมันเป็ลระดับประจําน้สมาธิคือความตั้งใจมั่น่นหมายความถ้าจิตเยือเย็นความมุ่นหมายก็ไม่เกิดและเมื่อไม่เกิดความมุ่งหายจิตก็มีอรมสงบเป็นสมาธิ ถ้าสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาตัวตักก้งตีเลยฉะนั้นขออนบบุญาตในบริษัทในการปฏิบัติกรรมฐานขอจงใช้ปัญญาและสติสมัญญจให้มากญาสักเทวาธรรมญาสักเทวพุทธญสักเทวธรรมสักเทวพูทที่เอาตัวไม่รอด คือปัญญาที่มันใช่กันได้ไม่ๆๆหมักหักเพราะว่าอย่างว่า เ, าเขาทนกันได้เห็นรอหนึ่งเห็นได้ทั้งตัวเราเห็นกลนแข่งลงไปถ้ากว่าเป็นเพราะอะไรอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่เอาจริงคนอื่นธรรมเรียนทั้งตัวได้ก็ต้องทำให้เหมือนเขาเอาจริงแบบเขา ความสำเร็จมักผลมีสามอย่างมีสีอย่างที่เรียกวิบาทสีคือหนึ่งชั้นภ้าความขอใจสองวิิยะความเพียรสามกิตตาจิตจัดจ่อห้าวิสีวังสายใช้ปัญญาเขาปกปุมไข้โดด รวมความว่าถ้าเรามีกำลังสิ่อย่างคือหนึ่งมีความพอใจสองมีความเพียรไม่่ว่าทํารเดี๋ยวหนึ่งจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ก็ราะไม่เียวเดวเกินไปต้องดูคนอื่นเขาในพะระพุทธเจ้าแต่กว่าถ้าจะเป็นพระเจ้ามาได้ใช้เวลาเสียสงแขแสงกบงกบถ้ากาสาวครั้งสองลม จะเวลาหนด้งจะเป็นเวลาสองวันสองไข่เราแสงกลับป ก, กติสาวกต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งอสองไข่เราแสงกลับก็แปลว่ า, ว า, า ท, ท่านกำลีดิบัดเสียครบถ้วนฉันท์มีความขอใจไม่ท้อถอยในการสร้างความดีระยะความเกี่ยงการสร้างความดีต้องมีอุปสรรค ต้องต่อสู่โุรกิจย์อิตอาอจิตใจจดจ่อไม่ยอมค่อยเหล่าแล้วมีมังสาใช้ปัญญาใส้รวนไม่ใช่จับปลายรูปท่านต้องใช้เวลามาเท่าไหร่แต่กเราเราพุทธบริษัททำ่าเดียวหนึ่งยอยาออ้ได้อย่างน้อยได้อย่างนี้อันนี้ก็ไม่ได้ ถ้ามีมันก็มีสาหายจริงๆม่ก็ได้แต่ยัใช่อารมณ์ไายรูดกันนีแนะนำกันนะว่าปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นวิธีปฏิบัติจริงๆนี่วันนี้ฉันป่วยนะก็ป่วยก็ขอพูดแบวที่พระเจ้าเป็นป่วยเมื่อพุทธเจ้าอยู่นี่ปราวาเราจะดีสมป่วยนัะ และการทรงโปรยสังขารว่าหลังจากนี้สามเดือนเราจะนิพพานที่ระหว่างรองรองเป็นคู่ที่มือกูสินาราหลังจากนั้ทรงสอนเฉพาะสีนสมาธิปัญญาวันนี้ก็ขอถือแนวนั้นว่าจริงๆแล้วการปฏิบัตินเนีอยยามเริ่มเริ่มบันที่ต้อกงการจริงๆ ก, ก็สีนสมาธิปัญญาจะริวนะ ข้าศึกเกิดขึ้นสมาธิก็เกิดสมาธิกเกิดปัญญาก็เกิดดวยแม่มาที่ที่คุบติชุมบรดาท่างผุบริสัทอันดับแรกหาจุดปลายทางนันคือระหวังจะหวนไปเบืนน้องต้นโทมาโลกุณทั้งกลางและก็นิพานเปนที่สุด จุดแรกจริงๆหวังสวรรค์ไว้ก่อนที่พาได้เราต้องการหรือว่ามันก็ไปแน่นักจะไปได้หรือไม่ได้ยังไงยังไงก็หวังสวรรค์ไว้ก่อนขัานแรกถ้าหวังสวรรค์ก็ใช้กำลังใจสามประการคือหนึ่ง พิจนาตามความจริงว่าร่างกายนี้ต้องตายเราจะไม่ประมาทในชีวิตมันจะตายเมื่อไรก็เชิญตายความตายนี้ห้ามไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาพตเมื่อห้ามไม่ได้ด้านี้มิตหมายในความตายตัวไม้สากฏ ใครจะคิดว่าเรายตายเวลานั้นเวลานี้นี่มันไม่แน่นอนความตายจะยปาารากฏเมื่อไรก็ได้เม่คิดเรงความตายก็ส่งความดีไว้อย่าไม่ทำความชั่วความดีที่อรายะสรงก็คือว่าใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีไดจะพิจารณาว่าท่านดีหรไม่ดีตรงไหนก็พิจารณากันที่พระธรรมพระพุทธเจ้าทรงตัดคําสอนมาเป็นพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ก็นําพระธรรมเอามาสอนบรรดาพุทธบริษัทแล้วก็ต้องดูพระพุทธเจ้าก็ดีดูพระอริยสงฆ์ดีดูที่พระธรรม ว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะดีพอสำหรับคนที่เราพอจะปฏิบัติได้ไหมถ้าปฏิบัติตามมีสิ่งใดเป็นโทษบ่าวอย่างที่พระพุทธเจ้าตรงกล่ว่าปานาติปาตาเวรวันนี้เธอจงอยากฆ่าสัตว์ชีวิตนะเด็วก็นั่งพิจารณาดู ว่าการทำร้ายซึ่งกันและกันมันเป็การสร้างศัตรูมีการยจะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันก็ต้องมีคุณธรรมสองอย่างคือมีเมตตาความรักกา ร, ราุณาความสงสารอา้ินแค่ข้อเดียวก็พอกนั่งนึกว่าเราเป็นเราเป็นกายคนในศัตรูกันถ้าเรารักเราสงสารกันอย่างไหมันจะดี ถ้าเห็นว่ากระธรรมคำสั่งสอนพระเจ้าดีก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าได้ยอมรับนัถือพระอริยสงฆ์ที่นําพระธรรมมาได้ถ้าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีก็ะอริยสงฆ์ก็ดีด้วยปัญญาต้องใช้ปัญญานะที่จะนาให้ดีอย่าหลาลอย่างนี้กําลังใจจะทสงตัว กำลังใจทรงตัวยอมกันยอมรับกวามเสียไม่คลายเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธไวสัตย์กะลมารุปไม่ได้อยู่แล้วยังเลวตั้นตายเหยยความในคนก็ไปสวรรค์เรื่อการไปสวรรค์นี่ไปโคงของทัานมันก็ไม่แน่นอนนะักชาตินี้ไปได้แต่ชาติหน้าจะไปนรกก็ได้ราะความมั่นคงไม่พอ ในความจริงการนึกถึงพระพุทธเจ้าในโมค ธ, ธ า, นานุบทิกรรมฐานการนึกถึงพระธระมรมเนธรรมานุติกรรมฐานการนึกถึงพระอริยสงฆ์ในสังฆ า, านุบทิกรรมฐานตามที่พระพุทธเจ้าทรงกรัสว่าบุคคลใด น, นึกถึงชื่อเราย่างเดียว ตายจากความเป็นคนและเป็นเกิดธรรดาบไม่ใช่นับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับเป็นกรธโกรธในเพียงนึกถึถงเพ่นึกถึงท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยเสีบาตไม่เคยฟังเทศน์อันนี้พวกเราเราภูตบิษัตมีความเคารพพระ พ, พุทธเจ้าประทำพระอริยสงฆ์วยความจริงใจก็จะมีความแั่น ค, ค, คงกับคุณทะ้งลายเหล่านั้น นี่เป็นความดีขั้นที่สองที่เราจะไปสวรรค์นี่แรกตั้งถึงความตายเป็นทางเดินมีนความดีขดั้นต่อไปก็าสีเลนสุตฏิปิทิรัตประภรามาตย์ทรงศิลห้าไอริสุทธิ์ถ้าทรงศิลห้าบริสุทธิ์จะจิตรักคนิพานอย่างนี้ท่านเปโสดาบน ถ้าอย่างนี้แล้วก่อนจ่ายชาตินี้ไปอีกจะเกิดอีกกี่ชาติก็ตามลงนรกไม่ได้แน่ใครวายัยภูมไม่ได้แน่มีทางอย่างเดียวเด้งให้ไปใกล้ผ่านเพราะบอกเป็นโสดาบันเที่ยวแปลว่าเขาเขาเ้าถึงเขาแสงมีป่านดังนี้เราหวังเพียงแค่สวรรค์ไม่ก่อนความหวังอย่างนี้เป็นความหวังแค่สวรรค์เรื่องพุทธมรรคก็อาจจะไปได้ แต่ก็เป็นทางนำมรรคผลได้โดยที่ว่าผู้เข้าถึงแสมิพคผลยังไงยังไงก็เป็นค น, นิรรคผลอันนี้ถ้าใครหวังต่อไปหวังว่าถ้าตายจากความเป็นคนก็ไม่ยอมกลับมาเป็นคนอีกไปเป็นเทวดาและพรุ่งเลยมรรพผลด้นดีด้านใจน่นก็ว่า สร้างความดีสองพือตัความทุวข์สองคือหนึ่งกรรมมาฉันพระค่อยๆทำใน ต, ตัวนี้หนาะค่อยๆทำเห็นโทษแห่งกรรมมาคุณที่จะนายให้ร่างกายของเราเอาร่างกายเราไปสังเกตคนอื่นช่างมันร่างกายพวกเราส่วนไหนบ้างที่มนานใชไม่มี มันมีความสุกระโขกโศกโรคร้างกายเปนสิ่งที่น่าเบื่ออันนี้ยากหน่อยพูดยาวๆพูดยาวๆไปประหลังคานแล้วก็ตัดปีฆ่าเครือเราไม่พอใจถ้าตัดสองตัวนี้ได้ก็ถือว่าเป็นพระอนาคารีอย่างนี้หวังพรมโลกก็ได้หวังสวรรค์ก็ได้ แต้ ว, ว่าถ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแล้วผม์ก็ไม่กลับไปอีกมุ่งหน้าไปนิพพานเลยนิเท่า่างนิพพานโดยตรงสร้างำตามแบบก็ตัดอารมณ์กิเลสเบาๆค่ายอยเรียกว่าเป็นอนุใสอารมณ์เบาๆคือหนึ่งไม่หลงในรูปฌาน สองไม่หลงให้รูปประชานสามไม่ถือตัวไม่ถือตนสี่เราไม่ฟุ้งซ่านนอกเหนือพริพพานห้าตัดความโงจ่จากใจอวิชชาในแปลว่าความโงก่การตัดอวิชาวชาหมายความว่าวิชชาพระเจทัพระยกสักดิ์เป็นสองสาวินชนท่ากับราคา ชันทะความพอใจว่ามนุสโลกเทวโลกตุมโลก ด, ลกลกดีไม่มีสําหรับเราเพราะมันทุกข์ราคะาอนูนุสโลกเทวโลกตุมโลกสวยไม่มีสําหรับเราเพราะมันทุกข์เราต้องการจดยึดมีผันหลังจากนั้นสมรมพระเรียนสังขารปิตา ย, ยานนั่นก็หมายความจิตวางเฉย ไม่ทรงเฉยในคนอื่นเฉยในร่างกายของเราแสงขาวฤกษ์ขยานี่เฉยในร่างกายของเราถ้ามันเฉยร่างกายของเราได้ก็เฉยร่างกายคนอื่นได้ที่เฉยก็หมายความว่าไม่ใช่เฉยวิถุกตาถ้ามันจะแก่ก็เฉยแก่เราทราบดีว่ามันจะแกะ่ ถ้ามันจะป่วยว่าเชิญป่วยว่าทราบดีว่าร่างกายต้องป่วยถ้การพัดพลาจะของรักของตกใจเกิดขึ้นก็ติดไม่หวั่นไหวถือว่าเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาเป็นอย่างนี้แต่ความตายที่จะเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวแต่ว่าถ้ากำลังใจตัดได้ขนาดนี้เนะี่ยอดสังเขาะฝืนขายาน เขาไม่ใช่ไปหวั่นไหวอย่างนียวนเขาภูมิใจแต่ความตายังเข้ามาถึงเมาาื่อไรในเขาภูมิใจยันละสิ่งที่มันเลวร้ายไปหาสิ่งที่ดีคือวันพันธ์ทั้งขอมันดาทั้งบริษัาทาทุกคนการปฏิบัติกมามฐานเอาดี ก, กันไปบนหารกระจุงกระจิงกระจุงกงระิเป็กๆนน้อยที่ไม่น่าจะชิด เพรว่าทำไม่จริงไม่จริงพวกเรามัเจอเรื่องไม่มีผลก็สุดแรกการปฏิบัติจริงๆก็คือหนึ่งรู้จักความตายว่าจะมีกับเราโยมใหญ่คิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพวกนี้ให้คิดว่าความตายอาจจะมีการวันนี้ไว้เสมอคิดจะได้โชวความ ในการในสองใช้ปัญญาเจรณารูุ้ทธเจา้าประธรรมพระอริยสงฆ์เจรานาให้ดีสก่อนถ้าไม่ดีท่าครั้งมันโลนรกให้ปราไม่เข้ามาไรโลนรกเหมือนกันถ้าไม่นักถีก็ยั ง, ย ง, ย ง, ยงนัน้นยองอ่านับถือก็เดินยิ้มตร้งทาไม่นับถ้าไม่ใช้ปัญญาแล้วก็ไปทำบิดบินตุกปู ผนไม่เกิดด้วยแบบรามาตวาใจสนาของเข้าเรื่องมันก็จะหนักมากอย่างพระเทวทัพซึ่งการปฏิบัติกุวันาดาจตะพูทบริษัทให้ตั้งใจเอาจียงเป็นค่อยๆจริงไม่ใช่จริงแบบคุ้มเคยเปินไปทำใจแบบส บ, บายๆในวมเบาๆใช้มัทิมาปฏิเทวทา วันหนึ่งเอาจิตช น, นะความชั่วสักสนาทีเท่า น, นี้คือพี่ขอใจความชั่วมีอะไรโลภความโลภอยากได้ทรัพย์สมัยของคนอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมโศกความโกรธอยากทุกข์ทุกข์กสลายของอื่นเขาโผ่าความโกรธหลงมาโดยดี ไอ้พิเรรากเงานี่มันเป็นรากเงาของพ่เลยพิเรทั้งหมดแต่มันขึ้นฝอยอยู่แลรากเงาทั้งหมดวันหนึ่งเราสามารถเอาจิตชนะมันได้จริงแค่สองสามคนจะพ่อยใจใช้ปัญญาที่จะน่าว่าความโลกอยากได้ทรัพสมัยของคนอื่นใดมาเป็นข้อตนมันช่วยเราไม่ให้แก่ได้ไหมมันช่วยไม่ให้เราป่วยได้ไหม มันกันไม่ให้เราตายได้หรือเปล่ า, าเครื่องความทรัพย์สินของเจ้า บ, บ้านก็ช่วยเราแก่ไม่แ ก, มมก่ไม่ได้กันความป่วยเราไม่ได้กันความตายเราได้อย่างได้ของเขาทาไมาเรายินดีเพาะทรัพย์สินที่เราหามัได้โดจชอบทธรรมกันถ้าคิดอย่างนี้เราเริ่มเราก็เลือกชนะความโลกตัวที่หนึ่งเรือความโกรธ คนนี้เขาทำให้เราไม่พอใจมันมีต้องเป็นความธรรมดาเราอาจจะโกรธ ม, มากๆแต่ว่าลองคิดสักสนาทีว่าถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูกับคนนี้เราจะมีความสุขมากไหมถ้ามีความมีความเดือร้อนคิดไปคิดมาดีใช้บิญญานิดหน่อยก็จะมีความเข้าใจว่าคนที่ทำให้เราโกรธ ความจริงเขาคิดว่ากลารอะไรเขาทำแบบนั้นมันเป็นของดีแต่ว่ามันเป็นความผิดที่ทำให้เราดดสร้างศัตรูทั้งนี้เพราะว่ากรรมที่ เ, าเราเอาผสไม่ในช่ก่อนเขาสนองเขาเขาทำให้เราโกรธเข้าส้างศัตรูขเขาก็มีทุกข์ถ้าเรายังอยู่ตรงเขาต่อไปเราก็มีทุกข์เราก็ตั้งใจให้อับสาย คิดให้อภัยไม่โตรธเขาไม่ทิประตุสลายเขาตั้งใจอย่างนี้คมใจจริงๆว่าเราจะมีเมตตาความรักในเขารุนแรงความสงสารในเขาเราจะไม่จองร้างจองคามย่อาอภัยความผิดที่เขาทำแต่ก็จริงไม่คิดให้ดะเวลนานสักสองนาทีต่อนหนึ่วันอย่างนี้กาควรจะภูมิใจในความดีของเรา ว่าเรามีความดีไม่น้อยด้านโมหะความหลงเรื่องวิชาวความโลภก็ที่เป็นตัววิญญาเราใช้ตัววิญญาณที่แท้ตับความโมง่โง่แบบไหนโง่ที่ว่าร่างกายไม่ตายที่ว่าร่างกายไม่แก่ที่ว่าร่างกายไม่ป่วยเมื่อคนรักของรักจะไม่ทับท่าจากเรา พระความว่ามันก็โลภมากเกินไปแล้วก็ลองอาจรรนริความโลภฟังคําสาวสารุ้เจ้าที่ขอาว่าพิฆวเระดูปอดวิชุกข์อะไรเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายเข้าถึงเราในวันพรุ่งนี้จงคิดว่าความตายจะมีกับเราวันนี้วันสมัยนะในเมื่อความตายคิดว่าความตายจะมุ่งสิ่งก็ต้องส่งความดี อย่างน้อยที่สุดจากคานุติจิตที่ใก้ทานยังไม่ทันเดีวให้แต่ตายไปสวรรค์ได้แล้วศีลานุติจิตเคารพในสิ่งและการพุทธา น, นุติติตเคารพในพุทธเจ้าธรรมานุติติตเคารพใประธรรมคำอสอนของพุทธเจ้าทังคำนุติจิตเคารพในพระอริยสัจเท่านี้กําลังเหลือ์แหล พูดมหาศาลตายแล้วก็มีความสุขเรื่องความวันนี้ก็พูดมากไปหน่อยตอนนี้ไปขอบรรดาจะพูดโดยใส่คิดว่าพูดไม่ไห ว, วเนี่ยแต่ทำไม่พูดได้ไม่ทร า, า, าบเป็นชาติวุ่นวาเวลาปฏิบัติขอทุกท่านที่มาใหม่ให้ใช้ธรรมาาว่าพุคโท คำว่าใหม่ในที่นี้หมายถึงใหม่ที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยนะถ้าท่านโมไดปฏิบัติที่ไหนมาก่อนให้คำบรรณาแบบไหนเ่งตัวไม่ต้องเปลี่ยนถ้าขึ้นเตือนในกายเช่นตนใหม่จิตจะวุ่นวายต้องการคราบรรณาต้องมีผลทำให้จิตของบุคคลเป็นสมาธิเฉพาะท่าน ท, ที่ไม่เคยจริงๆแล้วก็ใช้คำบรรณาวกุ่นโถ วนญญาณใจเข้าในคะนพุทธวิญญาณใจออกทาวัดโพ์ตอนนี้ไปก็ขบันดาชมพูบริษัทตั้งใจสมาทานสิ่งมาทานประจวบทาน